บ้นนี่จะอธิบายึงเรื่องอารมณ์อารมณ์มนั่นแป้ว่าจริงที่พอใจจริงที่ยินดีที่ยินยินดีพอใจเรียกว่าอารมณ์จริงที่ไม่พอใจความโกรธความเกลียดก็เรียกว่าอารมณ์ จ, จะพอใจได้ยังไงอหร ถ้ามาปล่อยใจในที่นี้คือมันไม่วางมันไม่ลกไม่วางนั่นเองถึงโกรธถึงเกลียดถึงไม่พอใจมันก็ไม่ทิ้งไม่วางจึงเรียกว่าอารมณ์คนเรามีอารมณ์ทุกคนตั้งแต่เกิดมากระทั่งบรรตายมีอรบเรือกันเทั้งนั้นตั้งแต่หนักและเบาต่างกันดุนแรงนึก ไม่รุนแรงอารมณ์นี้ต้องมีอยู่ในใจทุกคนคนที่เกิดขึ้นมาแล้วคล้องในอารมณ์ต่างๆความรักความชังความเกลียดความโกรธติดอยู่ในสั้นดกงตนทุกๆคนเห็นใจจงฟังเรื่องอารมณ์ต่อไปเพื่อจะให้เข้าใจถึงอารมณ์นั้น อารมณ์ที่เกิดจากตาหูจมกูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอาเยตนาที่เรียกว่าอาเจตาทั้งหกเป็นบอกเกิดของอารมณ์ท่านบอกว่าเป็นบอกเกิดไม่ใช่มันเกิดจากอันนั้น ความเป็นจริงม่ใช่เกิดจากตาหูจมูกลิก้นกายมันเกิดจากใจดังหาตาหูจมูกลิก้นกายใจเป็นเพียงเปิดตูเหมือนประตูหรือหน้าต่างอย่างพวกเราทําบ้านทำเรื่อนนั่นน่ะได้ยินเสียงอะไรก็ไปเปิดดูไปส่องดูตามหน้าตา่างอย่ากเห็นอะไรก็ไปส่องดูตามนั่ะ แต่พูดส่องดูนั่นไม่ใช่นาตาคนทป็ส่องดูต้งหากหน้าตาเป็นได้เปียงประตูถึงแม้จะไม่มีประตูอย่างตาหูจมูกร่างกายของเราไม่มีใจใจมีอยู่มันก็ยังเห็นอยู่เห็นนั่นจริงว่า มันไม่เกิดที่นั่นหรอกมันเกิดที่ใจถ้าหากเราเข้าไปแยกกายไปแยกใจแล้วกับอารมณ์นั้นก็จะเห็นชัดว่าอารมณ์เป็นอันหนึหน่งใจเป็นอันหนึ่งแต่อารมณ์ก็เกิดจากใจนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์เกิดจากใจ แต่ใจมันมันไม่มีอารมณ์มเรียกว่ามันเกิดจากใจถ้าหากเรามาพิจารณาอย่างนี้แยกออกไปอารมณ์เป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งเราจะเห็นชัด ต, ในในในตัวใจของตนเองในการที่ไปแยกกับวิญญาณ อันอารมณ์กับใจเลยออกจากการไม่รู้ตัวหายไปเลยเดียวเดี๋ยวนี้เราไปหาแต่แต่อารมณ์ไม่หาใจเลยไม่รู้จกักแยกกันหรอกรักก็แทนก็นเลยไปชอบกับใจในสิ่งที่เรารักกะนมันยินดีพอใจในสิ่งที่รักกัน เกียดไปโกรธไปเคาะสปโกรธไปเกียดนั่นต่อสิ่งที่พอใจอสิ่งที่ไมพอใจนั้นเวทีเดียวเพียงแค่นั้นไม่เข้าถึงใจสักทีฮนเราพิจารณาแยกอย่างนี้มาพิจารณาอย่างนี้มาเป็นเยีกในตัวพิจารณาถึงใจใจคือตัวกลางที่อธิบายฟังไม่มีอะไรดอกอดีตอนาคตก็ไม่มีที่ความรับกต่คือมัรัก ใสิ่งใดก็มันมันมีอดีตนาคดเนี่ยใชนะ่ลักคนลักลูกลักหลานลักสิ่งต่างต่างสารพรมมดัดแสดงความว่าไปคิดถึงเรื่องควงรักของคนนั้นไปคิดถึงเรื่องนั้นรุงแต่งไปอดีตไปรุงแต่งถึงอน า, าคต มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้มันยังไม่ได้เป็นแต่มันมันจะมันจะเป็นหรือมันเป็นไปได้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างนั่นอะไรจะเรียกว่าอเรื่องมันไม่อยู่คงที่มันไม่อยู่ในที่เดียวมันไม่ไม่ลงปัจจุบันตลงปัจจุบันถ้ากับมดเรื่องไม่มีหรอ อารมณ์ไม่มีแล้วเข้าไปถึงใจเลยตอนนี้ท่าไม่มีอดีตอนาคตเข้าถึงใจไลยอยู่ในกลางกลางเลยเข้าถึงใจเท่านั้นตัวกลางๆลางนั่นคือตัวใจไม่มีอดีตอนาคตเป็นของกลางเมื่อมีอารมณ์อะไรกระทบ มันออกมาจากมันเกิดมาจากภายนอกมันก็ครบเขาก็เลยส่งไปตามอารมณ์นั้นเป็นอดีตอนาคตไปเมื่อเป็นอดีตอนาคตจะเลยส่งตามอาดีตอนาคตปรุงแต่งตามอาดีตอนาคตนะใหเขาถึงใจกลางสักที ใจกลางจะนั่นถึงหากว่าจะไม่ถึงอปันณาสมาธิก็เอาเถอะเพราะให้ใจกลางกลางกันแล้วจะก่อนให้เห็นเรียกว่าให้เห็นตัวกลางา่ันจก่อนให้รู้เรื่องมันซะก่อนมันจะเป็นไม่เป็นสมาธิก็เอาให้มันอยู่กันจก่อนคือให้เห็นตัวกลางนะเพื่อให้เห็นใจ ให้เห็นใจตัวตัวของเดิมของมันเทมีมันจะไ ป, ปลวมไปแต่งนะั้นให้เห็นตอนนั้นได้ก่อนความลักความชังไปเกิดไปจากนั้นของกลางลนะั้นน่ะมันเป็นเหตุให้เกิดอ ด, ดีตนะคตถ้ามันมีกลางสมมติเรื่องอ ด, ดีตนะคตก็ไม่มี ตัวกลางคือว่าตัวใจที่จะให้ปรุงแต่งะไรเนียที่เรียกว่ารุงแต่งเรียกว่าจิตนะเรียกว่าจิตเรียกว่าเจตสิกเอาเถอะตามที่มพูดจะพูดไปเถอะจะเรียกว่าจิตอันเดียวซะก่อนจิตไม่มียุดอยู่ วิ่งตามความปรุงความแต่งของจิตนไม่มีที่สุดวันหนึ่งวันหนึ่งมันไปรอบด่านมันปรุงมันแต่งมันคิดโอนกินเ น, นื้อสาัดทุกอย่างมันไม่หยุ ด, ไ ม, ยดไม่อยู่ใครไปวิ่งตามมันโอ้ไม่ไหวแล้วไม่เข้าถึงจุดตัวกาาลางเมื่อไรละมันไม่หยุดสักที มันวิ่ง็เลยวิ่งตามมันเมือนก็คนวิ่งตามเงามันวิ่งตามมันเท่านั้นก็ยิ่งวิ่ ง, งวิ่งวิ่งใหญ่โตข้นาดมันจะหยุดเป็นทีหรือถ้าเราหยุดพึกลงไปเท่านั้นอะ่ะอยู่คงที่เลยไม่ต้องวิ่งมันก็อยู่คงที่ เหตนั้นเดียงว่าอันใจตอนนั้นะตัวกลางตอนนั้นให้เห็นตัวเดิมมันวะก่อนเมื่อเ <ate> หน็นตัวเดิมมาจิตรู้อารมณ์เราขาีิอารมณ์มันคือความคิดความปรุงควาแต่งคือจิตนั่นแหละอารมณ์ก็คือจิตนั่นแหละทรงหน้าทรงหลังอดีรต่างต่างดี ความโกรธอย่างเงี้เบื่อหน่ายที่สุดไม่จะโกรธหรอกแต่หาความางไม่ได้คือมันยินดีคือมันติดอยู่ในเรื่องนั้นเรียกว่ายินดีก็บความโกรธความรักความชอบมันไม่ต้องการละไม่ไม่ต้องว่าและ้ะแต่เอาแต่คมโกรธเนี่ยน่จิตที่มันโกรธที่สุดคิดนึกปรุงแต่งแต่เรื่องนั้ น, น, ว, น, น, น, นวางไม่ได้ กทิ้งไปไหนจังเรียกว่าความนะยังเรียกว่าอารมณ์พอใจยังเรียกว่าพอใจงั้นเป็นอารมณ์ดังนั้นยังว่าให้เมื่อจะละอย่าทิ้งจะถอนมันเอาเรามนลองลองคิดดูว่ถ้าหาไม่คิดจะเป็นยังไงคิดก็ถ้าม่คุ้มม่แต่อเป็นยังไง มันก็ไม่คิดไม่เนื่องเปงแต่มันก็เฉยเฉยทันทีนั่นแหละคือตัวกลาแต่ว่ามันไม่ไม่ยอมนะความโกรธความขิ้วนความไม่พอใจทุกทุกอย่างรลุมมามมดทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องผมโกรธอ่ะมันไม่ยอมเชงว่าให้หาตัวตัวจิต คือตัวกลางอะไรหาตัวมันเมื่อหาตัวจิตมันก็ลืมแล้วมันก็คิดแล้วเรื่องคิดรื่องนึกทั้งหลายแล้วมันลืมหมดเอ้ยมันตัวไหนแท้ตัวที่มันโกรธนี่ตาโกรหรือหูโกรธหรือจมูกโกรธหรือเลี้ยงกายโกรธหรือไม่ใช่ตัวเกี่ยวโกรธแท้คือตัวใจถ้าไปพูดถึงเรื่องวตาหูจมูกโกรธมันนี่โกรธใหญ่ เกลียดใหญ่รักใหญ่ชอบใจใหญ่ถ้าหากที่จะนาถึงเรื่องต้องโกรธมัน อ, ออกจากใจต้องเกลียดผมรักครามชังเกิดจากใจนะั้นขั้นเห็นใจตัวใจคือตัวกลางๆแล้วเหล่านั้นเลยหายไปหมดอันนี้วิธีแก้ความอารมณ์ คือแยกใจออกจากกองจากอารมณ์ใช่ไหมแล้วไปเอาใ่ใจอไปเอาเอาอารมณ์ตอนนั้นก็เป็นอนวญาแยกได้ทุกสิ่งทุกอย่างมดความรักความชังความเกลียดความโกรธยิดใช้กับใช้บิยปาธาภัตทุกอย่างชาตกิเลสั้งหวงมดต้องแยกอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างนี้เข้าเรืงตัวใจแล้วหรอ เมื่อเห็นตัวใจเราหมดเรื่องอธิบายให้ฟังกว่าใจคืออะไรทํายังไงยังจะเห็นตัวใจกลั้นลมหายใจทั้งว่าส้าพักหนึ่งมันมีไม่มีอะไรหรอกมันก็หยุดนิ่งเฉยเขาพูดเฉยนั่นแหละแต่รู้สึกว่เฉยเลยหร นีไดนะ้ตัวเฉยนะั่นรู้สึกรู้สึกว่าตัวเฉยนะ่นแต่ไม่รู้อยากคิดจะยึกเท่านั้นนะ่ะนั่นแหละถึงจตัวใจแท้อันนี้เป็นแต่บทบาทเท่านั้นนะที่ข้าเห็นตัวใจเท่านะั้นแต่เรื่องที่จะให้มันอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ได้อยู่ในชั่วงขณะที่เรากั้นลมาใจเท่านะั้น ที่จะให้อยู่ได้ตลอดไปน่นก็พนที่จะนาอย่างว่างนี่แหละที่นาทั้งตัวใจตัวนั้นจะก่อนให้เห็นตัวนั้นจะก่อนตัวที่ไม่ไเฉยนั่นก่อนใ น, นมันก็จริงนะ้วก ม, มันก็ถอนละมปหลอกคันเทนตัวนั้นออธิบายทั้ง เ, เรื่องวิธีแก้อนรม โดยเฉพาะก็เพียงแค่นี้แหละเราตั้งใจทำความสงบอบลมสมาธิพอหนายอยู่เป็นที่ให้อยู่คงที่เบื้องต้นเราต้องตั้งใจต้องตั้งใจที่ฐานในใจของเราอะ่ะเราจะอยู่ที่นี่แหละเอาให้จิตอยู่ในที่นี่แหละคือไม่ให้ไปให้มาที่ไหน เอาลงตรงนั้นไปก่อนปฏิฐานในใจให้แนี้แน่เต็มที่ไปก่อนเมื่อจิตตั้งมัน่นลงในที่เดียวแล้วนในอากาศ น, นี้เราจึงค่อยกําหนดจะเอาพรติกรรมอะไรก็เอาเอาพฤติกรรมที่ตนเคยทํามาแล้วนะนะคนจนชํานีชำนาญเนี่นานนทางไหนก็ตั้งพฤติกรร ม, มนะั่นแหะ ไวะะะะะะะะ้ในที่เดียวน่ะเอาไว้ในหัวใจในที่มันอยู่นิ่งน่ะอันเดียวนั่นน่ะพ่อใจมีหลายไม่ไม่หลายอย่างใจมันมีอย่างเดียวเท่านั้นงั้นจะพุทโธก็เอาจะอนาพาสักทีก็เอาจสมาธิห้งเน้ออะไรก็ตามสื่อนิ้วหน่อของเราตามได้เหมือนกันหมด น, นี้อันเดียวเท่านั้นถ้ามาตั้งอยู่พุโทโธหรอพุโทโธมันเอาอันเดียวเท่านั้น่พุโทโธพุโทโธอยู่นั้นแหละไม่หาเอาอันอื่นอังไกลไม่อื่นนอกจากนั้นอีกมันก็เป็นสมาธิแล้วและการที่เป็นสมาธิแล้วก็จะยากจะไปรู้ไปเห็นนีนอั น, นต่างมันก็ไม่ได้อีกมันเป็นสองเป็นสามไปแล้ ว, ลวจีห่าเลยตเลยเปิดๆมาแล้ว มันอยู่อันเดียวพุโทโธอเดียวนะจิตแน่ๆแล้เต็มที่แล้วมันหาจะมีความรู้อันหนึ่งขึ้นมาจากนั้นมันแวกสมายจากนั้นหรือมันสว่างขึ้นมาจากนั้นหรือ ม, ม, มันสะดุดใจของเราในที่นั้นมันค่อยปรากฏขึ้นมาแล้วอันนั้นจริงจะเป็นความรู้อันนี้จะเป็นวิชาจะเป็นของตนแท้อันนั้น นันเดีย ว, ว่าปัญญาวิชาเกิดจากสมาธิแท้แล้วคนเราต้องเกิด้ะมาแล้วมันมีอารมณ์ร้ายอยากมาแต่ร่างการคือเพราะเหตุที่เราไม่ตั้งสติแน่เดียเดียวแล้วตั้งสติแนี่ยแน่เดียวเท่านั้นนะมันทางนี้เราคงรู้เกิดอะไรทีนะ อะทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากเดียวนั่นนหะแต่นี่เราไปเอาหลายอย่างมาไปท่ามไปทั่วทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นก็เอาอันนี้ก็เอาเลยไม่มีที่ตั้งหรือไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีที่ตั้งไม่มีหลักฐานเลยเอาจริงสรรพัตว์ทุกอย่างอันไหนก็จะเอาอันไหนก็จะเอามาเลยไม่จริงสักอย่าง เหตุความรู้ของคนในโลกมันมากมายในทางพุทธศาสนารู้ในที่เดียวเรียนไปเถิดเรียนรู้ไปทุกเสียงแต่ก็ไมสามารถจะจะที่จะละทิเลได้พุทธศาสนาสอนอันเดียวเพราะมันเกิดจากอันเดียวจบเป็นนี่ว่าศาสนาพุทธเจ้านี่สอนจบเป็น ารในวิชาต่างๆในโลกอนี้สอนไม่จบเป็นสักทีสอนถึงใจมันก็จบสิไม่เข้าถึงใจสักทีมันก็ไม่จบเห็นไ้นเราตั้งใจปฏิบัติพุทธศาสนาเราจงเข้าถึงใจเข้าถึงอุให้เข้าถึงใจอุบายของใจให้มันได้ อย่างที่อธิบายให้ฟังว่าให้พิจารณาขึ้นใจกับอารมณ์อันนี้ก็พิจารณาเข้าใจนั่นแหละอย่างที่อธิบายให้ฟังที่วานี้ก็เหมือนกันให้เข้าถึงใจเดียวของร่วงตามนั่จะเกิดจาระอันเดียวแค่นั้นน่ะทีเทศนาสอนแต่ั้งหมดทุกสิ่งทุ ก, กอย่างอธิบายแล้กู้ว่างขว้างแต่ไม่ลืมไม่ทิ้งใจให้เข้าถึงใจอเดียวไปแล้ว ทำความ เ, เพียรพนัรักษาใจให้มันได้ทมันสงบถึงใจจึงจะเป็นความจริงขึ้นมาภายในจะปลูกมะพร้ากมะเฟงมาแล้วล่ะเบียมันก็ปลูกต้นต้นฟักทองอ่ น, นี่นนนนที่แรกมันออกนิดเดียวแต่มันแพร่หลายแต่เราจะไป ยึดถืออันนันแพร่หลายออกไปนั้นแล้วก็นวดคือเข้าถึกตัวกลางอันตัวใจกลางนั้นตัวต้นมันนั่นที่มันเกิดเม็ดน้อยๆอ่นนะมันแพร่หลายออกไปแล้วมันก็รวมไปอีกแล้วก็เม็ดว้ัตถุก็แพร่ออกไปอีกร่าขากล้องขวงเข้าไปเมื่อเติบโตขึ้นมาแก่ขึ้นมานั่นก็รวมไปอยู่ในเม็ดอันอีก อันเม็ดอันนะเป็นที่รวมของพืชพัรมนุษย์เราชาวโลกทั้งปวงมดมันเกิดจากเม็ดอันเดียวเหมือนกันนะั่นแะคือเกิดจากใจที่มันจะแพร่หลายออกไปก็เกิดจากใจที่มันจะดับก็ดับตรงใจให้พโมาเปรียบเทียบอย่างนั้น